ตั้งใจเพื่อฟังธรรมะเพราะมีเวลาที่จะได้อยู่แนะนำสั่งสอนน้อยเต็มทีนั้นเมื่อเวลาได้อยู่ด้วยก็ขอให้พากันตั้งใจฟังอุบายธรรมะจำเอาให้ได้ เอาไปสอนใจตัวเองให้นึกว่าเรามันเกิดมาใหม่ใหญ่ทีหลังเรายังได้ประสบการณ์ต่างๆน้อยเต็มทีดังนั้นความรู้ความฉลาดในการที่จะฝึกจิตใจตัวเองนั้นมันยังไม่เพียงพอ จำเป็นก็ต้องได้ฟังอุบายธรรมะจากครูบาอาจารย์ mm. เพิ่มเติมเข้าไปอีก mm. เพื่อให้เป็นกำลังใจกำลังศรัทธา mm. <c oughs> อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาโลกอันนี้นะมันถักเป็นมาอย่างนี้ให้พากันคิดให้มัน ก ว, กว้างๆลองดูไอ้ผู้ที่ท่านฝึกฝนอบรมตนมานานแล้วนั้นอินทรีย์ท่านแก่กล้าแล้วท่านทำความดีมากต่อมากแล้วความดีของท่านเต็มแล้วนี่ยท่านกุลละกิเลสขาดจากสันดานได้หมดท่านก็เข้าสู่นิพพานไปไม่ต้องเที่ยวเกิด มาปรับทุกข์กันอยู่ในโลกนี้เหมือนอย่างบุคคลที่ยังสั่งสมบุญกุศลอยังไม่เต็มเนี่ยการที่เราได้เกิดมาอยู่อย่างนี้นี่ก็ให้รู้ให้เข้าใจว่าเราสั่งสมบุญกุศลอยังไม่เต็มชีวิตของเรานี่ยังบกพร่องบุญกุศลอยู่เหตุนั้นมันถึงต้องได้เกิดมาอีก อันบุคคลผู้ที่ยังบุกพ้องบุญกุศลอยู่นี่ก็หมายความว่ามันบุกพ้องความสุขนั่นเองนะความสุขเท่าที่มีอยู่นั่นมันไม่เพียงพอลองสังเกตดูสิเราอยู่ทุกวันนี้นะทุกคนยืนยันได้หรือว่าตนมีความสุขเต็มที่แล้วเข้าใจว่าคงจะไม่มีใครยืนยันอย่างนี้เลย เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะไปนิ่งนอนใจอย่างไรเพราะว่าความสุขที่เราได้รับอยู่นี่มันเจืออยู่ด้วยทุกข์ให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นความสุขรวนร้ว น, นในเมื่อยังอาศัยขันห้านี่อยู่ตราบใดแล้วมันจะต้องได้อาศัยทั้งความสุขทั้งความทุกข์ครุกเข้ากันไปอยู่อย่างนี้ชีวิตอันนี้นะ อันความทุกนี้นัาว่าเป็นเจ้าเรือนเลยอยู่ในร่างกายอันนี้นะเป็นอย่างนั้นทุกอะไรแล้วทุกเพราะความแก่ความคร่ำคราของร่างกายอันนี้ทุกเพราะโรคภัยเบียดเบียนอัฐภาพร่างกายอันนี้ ทุกเพราะไม่อยากตา ย, เ, ยเกิดมาแล้วนะพอ ร, รู้ว่าตนจะตายนี่ตกใจนั่นเนเดือดร้อนนี่ความทุกข์ดังกล่าวมานี่เป็นเจ้าเรือนเลยนะอยู่ประจาขันทังห้าอันนี้ให้พิจารณาดูให้ดี บนันไดพยายังความทุกข์เกี่ยวกับกิเลสตัณหาอันมันเผาโรนจิตใจนี่ให้เร่าร้อนอีกส่วนหนึ่งเข้าไปด้วยันถ้าบุคคลใดไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วก็ตัณหามันก็เข้าเป็นเจ้าเป็นใหญ่ทันทีเลยในใจคนเรานี่ยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ ถ้าผู้ใดหนักในธรรมหนักในบุญกุศลมีจิตใจเลื่อมใสมั่นอยู่ในคุณในบุญกุศลเข้าไปอย่างนี้ตัณหามันก็ไม่สามารถที่จะครอบงำจิตใจได้ดังนั้นทุกคนนะให้พากันเข้าใจอย่าไปนึกว่าเราไม่มีศัตรูชีวิตนี้นะ กิเลสตัณหาเลยเป็นศัตรูตัวร้ายกาจที่สุดในชีวิตของคนเราอย่างนี้สิ่งที่จะมาปราบกิเลสตัณหาในใจของคนเรานี่มันก็มีแต่ศีลธรรมเท่านี้เนี่มีแต่ความดีหน่ยเขาว่างั้นเรามาทําความดีด้วยกายวาจาใจเข้าไปเมื่อความดีอันนี้มันมีกําลังแก่กล้าขึ้นไปแล้วมันก็เอาชนะกิเลสตัณหาในหัวใจนั้นได้ มันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะให้เข้าใจดังนั้นผู้ที่สมัครใจเข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนานี้ก็จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคอันดีมีวาสนาดีที่ตนจะได้มาประกอบกุศลคุณงามความดีให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจเพื่อจะได้ขดจัด กิเลสตัณหาสารพัดความชั่วร้ายออกจา ก, กจิตใจให้ได้เราเราจะไปกําหนดละกิเลสตัณหาเอาดื้อๆโดยไม่ได้ทําความดีอะไรเลยอย่างนี้มันไม่มีทางนะออถ้าหากว่าเป็นได้อย่างว่านี่แล้วคนในโลกนี่มันก็หมดกิเลส ก, กันไปนั้นแหละใครมันจะไปอยากสะสมกิเลส ให้หนานแน่นขึ้นในจิตใจแต่เมื่อกำลังใจไม่แข็งแรงพอแล้วมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้กิเลสมันถึงได้เป็นใหญ่อยู่ในหัวใจของคนมันจึงทำให้คนนั้นเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในสงสารอันนี้ อ, อ น, นี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้เราไม่มีเวทมนต ก, ก์คาถาอันใด ที่จะมาเสกสันเข้าไปแล้วกิเลสตัณหามันจะเบาบางไปบาปอากุศลมันจะหมดไปจากกิตใจอย่างนี้ไม่มีไม่มีคาถาอาคมใดๆที่จะมาเสกสรนขับไล่กิเลสตัณหานี่ออกจากกิตใจได้มีแต่การประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจเท่านี้แหละให้พากันเข้าใจ เพราะว่าไอ้ความชั่วนะั้นน่ะมันเกิดจากการกระทํานะไม่ใช่ว่าอยู่ไปเฉยๆอย่างนี้แล้วไอ้ความชั่วนะั่นมันจะมาสวมเอาเลยอย่างนี้ไม่มีแม้ความดีก็เหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นบาปกรรมความชั่วทั้งหลายมันเกิดจากการกระทําทีนี้เมื่อผูใ้ใดศึกษารู้แล้วว่าการทําอย่างนี้พูดอย่างนี้คิดอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นโทษ เช่นนี้แล้วก็มาเพียรพยายามระมัดระวังไม่ทำไม่พูดไม่คิดเรื่องชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นความชั่วทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นในกายวาจาใจของคนผู้นั้นไม่ได้เลยไอ้ที่มันรุ่มหลงทำมาแต่ก่อนนั้นเมื่อเราไม่ส่งเสริมมันไม่ทำมันเพิ่มเติมเข้าไปมันก็อ่อนกำลังลงมันก็ค่อยหมดไปหมดไป เมื่อใจไม่ส่งเสริมมันนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละจึงว่ากิเลสบาประธรรมต่างๆมันจะเบาบางไปจะหมดไปเพราะการกระทาของเราแต่ละคนแท้ๆนั่นนะ <c oughs> พระพุทธเจ้าสอนให้ว่าไม่ให้โลภอย่างนี้เราก็ไม่โลภไม่ไปแย่งไปชิงอสมัติผู้นั้นะเป็นของตนนะ ตนหามาได้เท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใจสอยอยู่เท่านั้น อ, อย่างนี้แล้วความโรคมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอัอนเนี้เราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้เพราะองค์นี้นำสั่งสอนให้พยายามอย่ากโกรธอย่างนี้น ะ, ะเราก็ฝึ ก, กจิตใจเข้าไปอดกลั้นทนทานต่ออารมณ์ันชั่วร้ายต่างๆที่มันกระทบกระทั่งมาไม่ให้มันโกรธ เมื่อเราอดทนอดกลั้นไม่รู้อำนาจแกอารมณ์ชั่วร้ายต่างๆที่กระทบกระทั่งมานั่นแล้วความโกรธมันก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้ mm. เป็นอย่างนั้น mm. ก็ยังว่ามันอยู่ที่การกระทาของเราเอง เ, mm. เมื่อเราทำว่าเราจักไม่โกรธอย่างนี้นะเราตั้งใจลงอย่างนี้แล้ว mm. ก็ตั้งสติสํารวมระวังเสมอๆไปพอมีเรื่องไม่ดีไม่งามอะไร มายั่วยวนชวนให้โกรธเราก็รู้ตัวได้เราก็รีบกําหนดใจละทันทีไม่ทันให้มันมับเพราะมันไม่ไม่ทันให้มันมาซึมซาบเข้าสู่จิตใจให้มากพอแต่มันเพียงแต่เกิดความรู้สึกขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเราก็กําหนดละมันเลยมันก็ดับไปเลยนี่บุคคลผู้มีสติสมบัตญชะคอยระมัดระวัง ตนของตนอยู่เสมอมันก็รู้เท่าทันอารมณ์อันชั่วร้ายต่างๆที่มันกระทบกระทั่งมาความโกรธมันก็ไม่เกิดขึ้นนี่ให้เข้าใจที่มันมีอยู่แต่เดิมแล้วนั้นมันก็อ่อนกําลังลงเหมือนอย่างไฟเมื่อเราไม่เอาไม้แห้งเข้าไปเพิ่มเติมอีกมันไหมไอ้ไม้เก่านั้นไปแล้วมันก็อ่อนกําลังลงมันไม่ไม่มีเชื้อเพิ่มเติมอีก ในที่สุดมันก็หมดไปดับไปไอความโกรธก็เป็นเช่นนั้นเด็กให้พึ่งพากันเข้าใจทุกคนมีแหละมีความโกรธเป็นพื้นฐานของจิตใจมาในสงสารนี่นะมีทุกคนต่างแต่มากและน้อยกว่ากันเท่านั้นเมื่อเรามาได้ฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วพระเจ้าชี้โทษแห่งความโกรธให้ฟังเราเห็นตาม嘛นี่ เบื่อนายตัวความโกรธขึ้นมาพอเห็นว่าความโกรธนี่มีพิษร้ายแรงเหลือยิ่งกว่าพิษงูพิษเสืออะไรต่างๆมุนั้นเพราะว่าพิษของสัตว์เหล่านั้นมันกัดเขาแล้วมันก็แค่ตายเท่านั้นเองแล้วมันก็เลี้ยวไปหรือไม่ตายก็เพียงแค่เจ็บปวดทุกเวทนาไปช่วระยะหนึ่งเท่านั้นไอ้ส่วนพิษแห่งความโกรธนี่นะ เมื่อมันเกิดขึ้นเต็มที่แล้วทำให้ประหัดประหารผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปกรรมเวรนั้นมันก็ติดตามสนองผู้สะสมความโกรธผู้ไปตามความโกรธนั้นให้เป็นทุกข์ไปในสงสารยืดยาวนานเพราะฉะนั้นความโกรธจึงชื่อว่ามีพิษยิ่งกว่าพิษใดๆ ใ, ในโลกให้พากันพิจารณาให้มันเห็น ไม่ใช่มันจะไปให้ทุกให้โทษแต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นนะมันยังให้โทษไปในชาติใน้พตัวต่อไปนู่นเหมือนอย่างนิทานเมียน้อยเมียหลวงหมนั่นแหละเศรษฐีคนหนึ่งมีเมียอยู่สองคนคนหนึ่งเป็นเมียหลวงคนหนึ่งเป็นเมียน้อยตอนนี้เมียหลวงนะั้นไม่มีลูก เมียน้อยนี่ทำท่าตั้งคันขึ้นมาวะนี้เมียหลวงเห็นว่าเมียน้อยนี่มันจะได้รับสมรดกจากสามีตนไม่มีลูกแล้วก็ไม่ไม่ได้รับส่วนแบ่งจากสามีก็เลยอิดฉาเมียน้อยนั่นแหละพอมีน้อยจะคลอดจนี่ก็ทําท่าไปช่วยเหลือเอาผ้ามัดหูมัดตาไว้พอ คลอดลูกออกมาแล้วก็เอาลูกเพิ่นไปเสียแล้วก็เอาท่อนไม้เกลือกกับเลือดนั้นใส่เข้าไว้สามีมาก็ค้องสามีไอ้ไอ้เออมียน้อยของคุณเนี่ยคลอดลูกออกมานะเป็นท่อนไม้ อ, อ, อย่างนี้ไนะอ้อสามีก็ไม่ว่าอะไรก็คิดว่ามันอิจฉากันเฉยๆเมื่อนี้ ก็มาคิดฆ่าเมียน้อยนั้นพอเมียน้อยนั้นรู้ว่าถูกฆ่ายวนจะตายเมียน้อยก็ผูกเวรไว้เอาชาตินี้แกฆ่าฉันชาติต่อไปขอให้ฉันได้ฆ่าแกนี่พอต่างคนต่างตายไปอา้าเมียหลวงตายเราไปเกิดเป็นแม่ไก่อยู่ในเล้าไก่นั้น วันนี้ไอ้เมียน้ยตายเราไปเกิดเป็นแมววันนี้นะอยู่ในบ้านนั้นอพอแม่ไก่นั้นไข่ออกมาลูกได้ไอ้แมวแม่แมวก็เอาไปกินซ ะ, อะพอแม่ไก่ไข่ออกมาลูกไหนก็เอาไปกินในที่สุดก็ไปคาบเอาแม่ไก่นั้นไปกินแม่ไก่จวนจะตายก็ผูกเวนแมวไว้เนี่ยเราเลยผูกพันกันไป จนไปถึงไอเมียน้อยนั่นไปเป็นยักษ์คีนีเมียหลวงนั่นไปเป็นมนุษย์บนี้ยักษ์คีนีก็เอาบันดาลให้ยักษิีนีนั่นมากินลูกของเมียหลวงนี่พอเมียหลวงคลอดลูกออกมานาะนางคีนีก็แปลงตัวเข้ามามาหลอกเอาลูกไปกินคนสุดท้ายในอุ้มลูกได้ก็แล่นเข้าไปวัด เข้าไปกราบพระพุทธเจ้ายักีนีก็เข้าไปไม่ได้เพราะเทวดารักษาชุมประตูไม่ให้เข้าพระศาสดายังรับสั่งว่าให้เข้ามานางยักีนียังเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้ายังแสดงว่าพวกเธอทั้งสองเนี่ยได้ผูกเวรกันมาแต่ครั้งนั้นครั้งนั้นนู่นถ้าพวกเธอไม่โหสิกรรมให้แก่กันและกันแล้วมันก็จะได้รับทุกข์ทนทรมานไปอย่างนี้แหละ ไม่มีที่สิ้นสุดขอให้อโหสิกรรมเลิกแล้วแก่กันไปเสียนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งยักษินีทั้งมนุษย์ก็ต่างก็อโหสิกรรมให้แก่กันและกันไปเลยต่อจากนั้นพระศาสดาจึงได้แสดงธรรมให้ที่ประชุมนั้นฟังจบลงนางยักษินีก็ได้บรรลุโสดาบันส่วนมนุษย์นั้นไม่ได้ ได้แต่ความเลื่อมใสพระศาสดาก็จึงมอบหมายให้อันหญิงคนนั้นเอานางยักษินีนั้นไปเลี้ยงไว้ไปปลูกเลือนให้อยู่หลังหนึ่งในบ้านของตัวเองเพราะนางยักษีนีบนรรลุโสดาบันแล้วจะไปทำบาปอีกไม่ได้เลยจะไปเที่ยวจับสัตว์จับคนมากินก็ไม่ได้เลยอย่างนั้นก็เป็นภาระของผู้หญิงคนนั้นเอาไปเลี้ยงดู แต่ในตำรากล่าวว่านางยักษีนีนั่นเป็นผู้รู้เลิกดียามดีเลิกฝ้าเลิกฝนปีนี้ฝนน้อยปีนี้ฝนมากรู้ทั้งนั้นแนะนำให้เจ้าของบ้านนั่นอาปีนี้น้ำมากน้นมันจะท่วมให้ทำนาดอนอย่าไปทำนารุ่มก็เป็นความจริงก็ได้ข้าวตามประสงค์เอาปีนี้ฝนแรงนะให้ทำนาลุ่ม อย่างนี้พราะสมัยแต่ก่อนก็เข้าใจว่าอาศัยแต่ฟอาแต่ฝนเท่านั้นไม่มีเครื่องดูดน้ําไม่มีคลองส่งน้ําเหมือนสมัยนี้นางแงคินีก็มีชื่อเสียงโด่งดังก็มีคนนับถือมากคนก็เอาอาหา ร, ารการกินมาให้กินไม่อดไม่ยากวันนี่นะนั่นแหละอานิสงส์ศีลอานิสงส์ธรรมที่ท่านได้บรรลุแล้วจะเป็นยักษ์เป็นโขก็าตาม เมื่อประพฤติทมแล้วก็ยมได้รับความนิยมนับถือจากคนทั่วๆไปตลอดถึงเทวดานีสรุปใจความแล้วการผูกเวรกันนั้นมันนำมาซึ่งทุกข์ไม่รู้จบรูกสิน้นแต่เวร น, นั้นสามารถระ ง, งับได้ในเมื่อต่างฝ่ายต่างเห็นโทษแห่งความโกรธความอาฆาตจองเวรกันแล้วอโหสิกรรมให้แก่กันและกันไป เวร น, นั้นมันก็เลยระงับไปก็มีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานเมื่อพระศาสดาแสดงธรรมให้ฟังก็สามารถบรรลุธรรมของจริงที่พระองค์ทรงแสดงนั้นได้อย่างนางยักิีนีดังกล่าวมานั่นแหละนางยักิีนีนั่นได้เป็นเมียน้อยของเศรษฐีจากชาตินั้นพอเมียน้อยเนี่ยเขาเขาเป็นคนดีนี่เมียหลวงเนี่ยใจบาป ไปอิจฉาเมียโนยเพราะฉะนั้นมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ส่วนเมียโนยนั้นสามารถบรรลุมรรคผลได้มันเป็นอย่างนี้นิสัยใจของคนเรานะ่ะมันแตกต่างกันนะบางคนใจดำอมตบางคนผดใจมีเมตตาอารีมันตรงกันข้าม ดังนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ก็ให้พึ่งกลวดดูจิตใจของตนทุกคนให้ได้ว่าตนเป็นคนใจดำหรือว่าใจเขา่าก็ให้รู้ไม่มีใครเราจะไปรู้เรื่องของตัวเองยิ่งกว่าตนเองรู้เรื่องของตัวเองนะคนอื่นนั้นไม่สามารถที่จะมารู้เรื่องของเราได้ดะนั้น การที่บุคคลจะมารู้เรื่องของตัวเองได้ก็พรามาฝึกทําสมาธิภาวนานี่แหละสัมรวมจิตใจให้เข้าไปตั้งอยู่ภายในอย่าส่งใจออกไปข้างนอกไม่ปล่อยใจให้ไปเกาะไปคล้องอยู่ในเรื่องภายนอกให้มันสงบนิ่งอยู่ภายในนี่ได้แล้วนี่ก็มองดูตัวเองได้เลยแบบนี้นะอะจิตใจตัวเองเป็นอย่างไรที่ร่วงแล้วมา สามารถประเมินผลได้เลยตอตนเคยมีจริตนิสัยอย่างไรมาแต่ก่อนรู้ทั้งนั้นเลยแบบนี้เป็นอย่างนั้นอย่างเช่นว่าตนเคยเป็นคนเจ้าชู้มกักมากในกามตกเป็นทาสแห่งความรักมามากมายอย่างนี้นะก็รู้เรื่องตัวเองได้อแล้วก็ที่ฐานใจละเว้นแบบนี้นะ เราจากไม่ทำทนเป็นคนเจ้าทูอย่างนั้นต่อไปพร้อมเป็นทางใงความชิพหายนี่ผู้นั้นก็กลับตัวเป็นคนดีได้ถ้ารู้สึกตัวได้อย่างนั้นรู้สึกความชั่วของตัวเองได้บางคนก็เป็นคนโทสะจริตเป็นคนใจดำอมหิตขาดเมตตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมา เบียดเบียนไม่เลือกหน้าอย่างนี้นะพอมารู้ตัวเข้าไปแล้วโอ้เรานี่มันคนใจดำเขาไมนขาดเมตตากรุณาเอาและนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะพยายามเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันจะไม่คิดเบียดเบียนใครจะไม่โกรธใคร แม้ใครมาร่วงเกินตนตนก็จะโอโหสิกรรมให้จะไม่ผูกโกรธไว้จกไม่แก้แค้นจกอภัยให้ไปเลยน<ม>ี่ถ้าผูใ้ใดรู้ตัวว่าตนเป็นคนโทสะจริตอย่างนี้แล้วอธิษฐานใจละมันไปแล้วก็สมทานมั่นอยู่ในเมตตากรุณาธรรมเข้าไปอย่างนี้นะในความโกรธนั้นมันก็เบาบางไปเลย มันเบาบางไปแล้วบอนนี้มันจะไม่หนาแน่นอยู่ในจิตใจต่อไปอีกแต่ต้องเจริญให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าจเจริญบ้างไม่จเจริญบ้างเป็นวัคเป็นตอนไปอย่างนี้นี่มันมันไม่มีกำลังแล้วเมตตาธรรมนั้นสู้อำนาจแห่งความโกรธไม่ได้แล้วดันั้นเราต้องเจริญให้ต่อเนื่องกันไป ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรต่ออะไรต้องมีสติประคองใจของตนให้ตั้งอยู่ในเมตตาธรรมแม้เห็นศัตรูก็ให้เกิดความสงสารขึ้นมาอจนปานนั่นแหละจึงเรียกว่าเมตตาธรรมถ้ายังเห็นศัตรูว่าเป็นศัตรูพอเห็นก็ไอน้นี่มันเป็นศัตรูกับเราใจขุนขึ้นมาเลยอย่างนี้ไม่ได้อืม กิเลสคือความโกรธก็ไม่เบาบางเลยไม่ชื่อว่าเป็นผู้เจริญเมตตาแบบนั้นไปรักใครหรือว่าไปเอ็นดูตั้งแต่คนดีๆคนที่ถูกจริตนิสใสของตนแต่ถ้าใครแสดงตนเป็นศัตรูต่อตนแล้วไม่ชอบเลยมีแต่เกลียดชังมีแต่จะผลักใสไล่ทรงบอกอะไรต่ออะไรไปสุดแล้วแต่จะกีดกันได้อย่างไร ก็ว่ากันไปอย่างนี้นะนี่ไม่ใช่เมตตาในพุทธศาสนาอันเมตตาในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าสอนให้วางกิตใจให้เสมอกันไปหมดทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูก็ให้ทาใจให้เสมอกันหมดเลยเราปรารถนาอยากให้ญาติมิตรของเรามีความสุขความเจริญโดยทั่วกันชั้นใด ก็เราก็ตั้งกิดปาถนะอยากให้บุคคลผู้เป็นศัตรูต่อตนนั้นให้มีความสุขความเจริญเหมือนกันอย่างนั้นต้องทำใจอย่างนี้จึงเรียกว่าเมตตาพรหมวิหารหรือเมตตาอปปมัญญาคือมีจิตแผ่เมตตาไปทั่วบุคคลและสัตว์ทั้งหลายไม่จำกัดทั่วไปหมดเลยเมตตาในพุทธศาสนาะเป็นอย่างนี้ ให้พากันเข้าใจแล้วจเจริญให้เป็นไปให้ได้ <c oughs> ผู้ไม่เข้าใจแล้วมันก็อย่างว่านั่นแหละนี่แหละเรื่องธรรมะมันเป็นอย่างนั้นมันก็จะไปเมตตาทั้งแต่คนดีๆกันนั่นแหละคนใดที่ทนเกลียดชังแล้วไม่แล้วไม่เมตตาเลยอันนั้นไม่ถูกจําเอาไว้ นี่พระธรรมคำสองของพระพุทธเจ้านะมันเป็นเครื่องกาจัดกิเลสบาปธรรมออกจากกิจใจแกผู้กระทาบําเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในตนแต่ต้องกระทํานะต้องทาให้เกิดให้มีขึ้นในใจคุณธรรมเหล่านี้จึงจะมีประสิทธิภาพกาจัดกิเลสบาปธรรมออกจากกิจใจได้ถ้าจาเอาไว้เฉยๆเนี่ย จำเอาไว้ตามตัวหนังสือที่เรียนที่ฟังมาก็ดีเฉยๆนี่นะไม่ได้น้อมเข้าไปเจริญให้เกิดให้มีขึ้นในใจแล้วไม่มีประสิทธิภาพอะไรที่จะมากำจัดกิเลสบาปธรรมให้ออกจากกิจใจได้ให้พึ่งพากันเข้าใจเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าคนบางคนน่ะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้ามากมาย แล้วก็เอาตัวไม่รอดย่งไปทำความชั่วอยู่เช่นนักบวชบางคนนะเวลาบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนคนแนะนำคนไม่ให้ดื่มเหล้าเมาสุราการดื่มเหล้าเมาสุรามีโทษอย่างนั้นอย่างนั้นวันนี้เมื่อเวลาตนอยู่ไม่ได้ซึกออกไปแนละ้วไปดื่มเหล้าเขา้ามีคนเขาไปทักท้วงอา้าว ทำไมเมื่อบวชอยู่แล้วยังสอนให้เขาไม่ให้ดื่มเหล้าเมาทุราเมื่อตนศึกออกมาแล้วทําไมยังมาดื่มเหล้าอ่าเลวก็ตอบเขาไปแบบตลกตลกว่าเฮ้ยตั้งแต่เราสอนก็อยู่แต่ก่อนนั่นเรากลัวเหล้ามันจะหมดต่างหากนี่เราจึงห้ามไม่ให้ดื่มกันนะอ่าอย่างนี้มันก็ยังมีนี่คนเรานะ่ะกลัวเหล้ามันจะหมดหนีจากจึงได้ห้ามไว้คนว่าคิดดู มันเป็นอย่างนี้คนเรามีความรู้ท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอด <c oughs> บาปก็ยอมรับบาปไปเลยในเมื่อตนตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาเต็มร้อยเปอร์เซ็น์แล้วนะจะไปตกนรกหม้อไหนก็ยอมทั้งนั้นเลยนี่แหละคนเราผู้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาน่นะหาความสุขไม่ได้เลยมีแต่จะทุกข์ โดยฝ่ายเดียวแล้วดังนั้นในฐานะเราเป็นชาวพุทธนี่เนะี่ยไม่ควรที่ยอมตนลงเป็นทาสของกิเลสตัณหาอย่างนั้นให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นตะเราจะต้องมีความอดความเพียรสู้กับกิเลสตัณหาปราบกิเลสตัณหาเรานี่ยให้มันเบาบางออกไปจา ก, กจิตใจให้ได้เมื่อเราไม่พอใจกับมันแล้วเราภาคเพียรไม่ยามไปเนี่ย มันมันจักไม่เหลือวิสัยเลยต้องละมันได้แน่นอนแต่การละกิเลสมันต้องละเป็นขั้นขั้นไปไม่ใช่ว่าละทีเดียวละหมดไปเลยหามีได้มันก็เหมือนอย่างคนทำนาทำสวน น, นั่นแหละเอาพอโค่นต้นไม้ใหญ่ลงไปแล้วอย่างนี้อพอจุดพอเผาไฟเข้าไปแล้วเอาต้องเก็บ เศษไมมต่างๆที่ไฟไหม้พวกนั้นออกทําพื้นให้เตียนไปอย่างนี้เลยขุดต่อขุดหลักอะไรออกไปปรับดินให้มันเรียบราบลงจึงปลูกพืชพันธุ์ต่างๆลงได้ปลูกลงไปแล้วก็ยังไม่พอฝนตกมาเดียวก็ยาขึ้นก็ต้องถอนหญ้า ก, กันออกไปนี่จนกลัวว่าพืชอันนั้นมันเจริญงอกงามขึ้น แต่กิ่งแต่การออกไปปกคลุมพื้นดินเวลายาขึ้นไม่ได้วันนี้เจ้าของสวนก็ถึงได้งดดายาการละกิเลสตัณหามันก็เป็นเช่นเขาทำสวนนั่นแหละให้เข้าใจทีแรกมันก็ต้องปราบกิเลสยำยาบนั่นให้เบาบางออกไปจากกิจใจก่อนเหมือนอย่างเขาไปโค่นต้นไม้ใหญ่ๆลงไปก่อนนั่นแหละเป็นอย่างนั้นมาเนื่อเมื่อเมื่อ ปราบกิเลสอยางยาบนั้นลงไปได้แล้วมันก็ยังกิเลสอย่างกลางก็ตามปราบกิเลสอย่างกลางเข้าไปอีกเอากิเลสอย่างกลางมันสงบระงับลงไปมันยังกิเลสอย่างละเอียดก็ต้องตามปราบมันเลื่อยไปอย่างนี้นะก็ต้องอบรมปัญญาให้ละเอียดเข้าไปอีกกัวนั้นอีกมันถึงจะละกิเลสอันละเอียดนั้นได้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะ การละกิเลสตัณหานี่นะมันมีเหตุผลดังชี้แจงให้ฟังมานี่เลยเพราะฉะนั้นจึงว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงแสดงทำมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ดังที่แสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี่หลยถ้าว่าผู้ฟังนั้นมีวิจารณญาณ น, น้อมเข้าไปคิดไปพิจารณานี่จะต้องเห็นตามแน่นอนเลย เพราะว่ามันมีความจริงอยู่ในตัวมันเซจเลยธรรมะที่บรรยายมาเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปตามพุทธโอวาทศาสนาดังที่แนะนำมานี้แล้วก็จะถึงซึ่งความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้